ต, ต่อต่อนะคือพูดถึงในเรื่องของตรงนี้จะให้ใ ข, ข่าวในรายละเอียดช่างมากในเรื่องของอุปการนี้อุปการนี้เนี่ยเขเป็นการละมณพปัจจัยเดียวอุปจารและสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิระดับแรกๆเลยทีนี้เมื่อใส่ใจมรณาการยมากขึ้นเป็นไปตามลำดับเนี่ยความเกิดขึ้นแห่งนี้แล้วก็อั ป, ปนานเนี่ย ตรงนี้จริงๆไปเรียนในเรื่องของบริกรรมมิมิอุการมิมิทแล้วก็ปฏิตายมิมินีจมีสามอย่างเนี่ยบริกรรมมิมิอุการมิมิทแล้วก็ปฏิภาวนิมิทปฏิภาวนะต้งมีสามบริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาและอัปปนาภาวนะเข้าไปยางเนี้ยันเกี่ยวกับเรื่องของเอจวบภาวนามีเท่าไหร่เห็นไ้ย แต่คาว่าบริกรรมนภาวนาเป็นชื่อของสมาธิเชื่อของนมเนี่ยเป็นชื่อของเนี่ยอารมณ์กรรมฐานเช่นผมขนเลฟันหนังเนี่ยตัวผมขนเลฟันหนังเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานนะทีจยะ จิตที่ไปคิดถึงผมไปคิดถึงขนถึงเล็ถึงฟันถึงหลังเนี่ยจิตอัไรนั้ น, นถ้าตั้งมั่นเน่ยจิต น, นั้นเขาเรียกสมาธิธสมาธิธก็มีอะไรเรียกเป็นบริกรรมะภาวนาไหม่พอสมาธิธนั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าอุปจาระภาวนาเขาเรียกวเฉียดนละถ้าระดับชานเขาเรียกว่าออกนานาภาวนา แต่ตรงนี้ท่านเนี่ยก็เป็นสมาทีธิใบเบาๆทีนี้ตัวอารมณ์ของเขาก็เป็นบริกรรมนิยมตอนนี้าท่านอธิบายอุทานนี้นิดเลยเพราะมันได้อะไรแนะล้วได้กำเหิดเป็นความเป็นสีโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสในการตรดตอนแล้วความปรากฏของควาท้าทาเรานั้นด้วยหน้าถึงความเป็นกุลโดยนนาการทวงในที่สุดจริงๆจากอุปาทานนิยก็เป็นปฏิาคศนิย เมื่อซ่องเศษเจริญปริท่าขันิตคว่าเมื่อซ่องเศษเจริญปริทาขันิตแปลว่าอะไรรู้ไหมเริ่มตอนที่ปิานิตปรากก่อนเนี่ยสมาีิในขณะนั้นเป็นอะไรก่อนย่อนอกอะไรก่อนคือร์ที่แรกเป็นอุปานิยตใช่ไหไอ้ตัวนิยตไอตัวของขเรียกปันไออุปาตไอตัวภาวนาเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไร เป็นบริจาคภาวนาก่อนกได้นนแลในที่สุดจริงๆก็มาเป็นอุปจาระภาวนาเนี่ยไอ้ตัวที่ไอ้ตัวจริงๆตัวอุปจารภาวนาเนี่ยเขาได้ภาวนาหนึ่เนี้ น, นิดสองใช่ไหมเขาได้ทั้งอุปานนี้นิดและปฏิภาคนี้นิดไตัวอุปจารเภาวนานี่ยใหม่ๆในอุปจาระภาวนาเขาได้อีกหน่ยนิด ในที่สุดิงนยตัวอุปรณ์นีิดก็เปลี่ยนการเป็นปฏิภาคนี้แต่ตัวภาวนาอยู่ตรงอุปจาระานั้เห็นไแต่ตัวนี้นิดสายสายแล้วกายเป็นปฏิภาคนี้แล้วแต่ตัวภาวนาเพราะตัวสมาธิมันยังได้แค่อุปจาระอยู่ต่อมาก็ต้องเจริญชัยควรบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อกำจตัวนี้ให้ทันเพราะตัวนี้เป็นปฏิภาคนี้แล้วเนี่ย ตัวภาวนาเขายังได้อยู่ปัจจัยละภาวนาเป็นปัจจัรละาติเลยเขาใช้ได้ยังสมานตัวนี้นิดเป็นเปัญหาคอันนี้นิะแต่ตัวภาวนาเขาได้แช่อุปจาระภาวนาภาวนาในเช่นเป็นตัวอะไรตัวสมาธิสมาธิมีสามระดับใช่ั้มเมื่อต้นเป็นบริกรรมมาสมาธิอะไรหรือบริกรรมของภาวนาต่อไปพัฒนาขึ้นมาสูงเลยก็เป็นอุปจาระสมาธิหรืออุปจาระภาวนาอันเดียวก ที่เรียกว่าภาวนาเพราะเขาต้องมาต้องเพลิดต้องมาเจริญต้องมาไ้ทนด้วก่อนให้มันตัวขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันตันนี้ขึ้นใน ล, ะละเอียดขึ้นทีนี้พอเป็นอุจจาระภาวนาในหมยก็ไปอุกขการนี้นหนักเข้าในตัวนี้นิดนึงเคลื่อนหละจาอุกขา ร, า น, รา น, นี้ภาวนานี้ี่นการมีความใส่ใจอะไรปฏิทาะนี้นแต่จนภาวนานยอยู่แค่อุจจาระภานา นิตัวภาวนากระตามตามตามแล้วเป็นอัปนาาาอปน า, า, าเขา น, นี่ยเขาเรายนปัปปนาภาวนาติช้างนี่ยังเรียนี่ลังเรียแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อต้องเสื่อมเจริญเสื่อมเจริญไปถ้าทันิดนั้นบ่อยๆอัปนาจะเกิดขึ้นเรื่อยๆหน้เห็นปฐมมิชฌาเห็นนี่ยังก็ติช้างได้แล้วนะดุดอุปปนาเป็นดุจปัปปนาในอสุภะาตองถามจำในที่กลาก่าวมาแล้ว ตรงไหนในยุทธวิมารมัน้คยเก่ามาแล้วจะในนี้ยัม่เก่าก็แปลว่าม่ต่างกันเลยการเจริญสุขภาพการเจริญการเดนกเอผมคอเล่นฟันฟันหนังมาพิจารณานี่ยถ้าหามนุษย์เราหรือว่าพวกเราหรือคนไทยทั้งหลายเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณามากๆต่อไปโอ้ยใครจะกระตุ้นความอยากยังไงก็ไม่ยากอะไเลยจะเอายา เอาเครื่องตัดดินตัดเยื่อบุมาขายเลยเอาน้ำมันมาขายเลยเาไม่ไจะคิดอะไรไหแล้วทำไมเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาทาดินน้ำไปลมด้วยวะเราจะมาแต่งผมเลยตอนหนังเลยยันระดูเรื่ในกระดูกและแต่งไปทำไม้ก็เราเห็นในวความเป็นของปฏิกูลทุกวันะถึงจะแตงยังไงมนก็เป็ปฏิกูลแล้วก็ปฏกูลภายในปฏิกูลภายนอกมันเห็นอย่านี้นะ ยล้วงยามจะแต่งไปดิไม่รู้จะแต่งไปทำไมทาไปตอนมางดะเยยุ่ยยุ่ยตอนเลยเหนื่อยด้วยก็เป็นควาสุขของโลพาสองวนัดอะไรเนี่นไโลพาสอนนัดเนี่ยมันหลอกได้ยิ่งยหลอกคิิ มองไปมองมาเดินลกนี่เลียค่งงอเท่าเราเลยเะเดิเอาต้องลงนดินเลยหลอกก็ดีสักหน่อยตลกจนกองสุขส่วนตัวใครยนยุ่งร่วงเป็นยังไงบางควาอยันไปแน่งมาดีโคตรลุกใจดีลุกโวยเงีโวยย มีมีเขาพูดไม่ได้นะรูปประขังเนี่ต้องเปิดให้ฟังหม่อให้เพ็่อนูที่ไหนถ้าเขาพูดได้ดีรูไหนจะตำหนิพวกเราแน่ๆไปที่ถูกบ้านเขายนโมงแตงเดี๋ยวต้องไปโยต้นตาลเราจะได้เราไปทำหน้ที่โมโหยุ่งเดินหน้าจาเยไมไรเขาหยุดมุดปเยถ้าต่อไปโดนนะ เมืนา่าวคือผมชาเกิดจุอปนาเนสภาวะกรรมฐานิรกาเี่ปกระมธมชาญเนีเป็นบาทคํมชาญ่เป็ปาานบากาชาญเนี่เป็นบาศกช่ยเมืราน่าศกรรชานี่ยเารจะเรรม่นามเป็นบาศรรวธมยเกรมธรน่ปราาเป็นวามธมี่ยเนกเนียนากมานยารรมธมาเนยวป็ น, น, น, น า, า ร, รเาามเ่ยามราเนารมธราเนีนาม า, เมา่เกเลย ไปเจริญินก็ปษษไปรู้ยากเพราะคนที่จะได้ฌานนอเตุกาันทีฌานกวิปัสสนาในฌานก็นง่ายกวา่ไหมอาฌา น, นง่ายก่เพราะฌ า, านเนี่ยที่าาทำเอง่าใช่ไมเ่ป็นเครื่องวัดเราได้ ย, ด ย, ย, ดยันีว้วยเราไปตีเหตุนี้ตยิไ่ยอนั้นเอาว่าไปทไม่ได้ฌน ถ้าอย่างใค้เป็นชาญจริงๆนะอย่าเป็นอย่าอื่นเอาชานัแหละเป็นบาตเริ่มตั้งมอตสัญญากำหนดนามรูปว่าองค์ชาญทั้งหลายเหล่านี้อาศัยอยู่กับอะไรต่ออาศัยอยู่กับอะไรก็ย่อมทราบว่าอาศัยอยู่กับวัตถุการศชกษาเชื่อวัตถุองค์ชาญก็แต่อันนี้วัตถุนั่นแหละใช่ไหมคะทายางเนี่ยมีว่าหัวใจอ่ะ แตว่าที่เป็นที่อาศัยของธาตุยวัตถุนั้นก็นีดเดียวนะครับเท่ากับเมล็ดบุญหน้าดอกมเมล็ดบุญหน้าใช่ไหมเป็นที่ตั้มของมโนธาตุมโนญาติธาตุอือเนี่ยวะแล้วก็การาชการทุกส่วนนั่นแหละก็รวมไปเสร็จนะอันนั้นเป็นรูปองค์านี้เป็นนามไหแต่ราชกาลก็เป็นรูปที่นี้จริงๆเขาไม่ได้คิดแค่นี้นะ อันนี้่ันกล่าวไว้โดยยอ่อๆอี่เนี่ยยมหนยอนถ้าพวกถือองค์ชาเนี่ยมี ห, มมมมยนนมห้ายังไม่ิีศกวิจารมีจีสุกเวชนาเวชรตาองค์ชาห้าแต่คำที่สประยุทกับองค์ชาอีกเยอะไหมปะสมชานมีเจ้าสิษย์พกอีเท่าไรจะตามตามย้อนย้นมากล่าาเอองค์ชาสองห้าเยอะเท่าไรเนี่ ย, ย, ยสามศิษย์ใช่หมสามศิแล้วรวมศิเยอะอ่ะ ไม่ร้อนนเป็นสามสิบองศาตีตีเงเห็นมว่าสรุปแล้วก็คือในน้ำ U E นานาขันมีสัญญาขันมีสังขารและขันมีพลยานขันเวนาสัญญาสังขารพลิยามเป็นน้าเลยแล้วเวนาสัญญาสังขารพลิยาอาศัยอะไรอาศัยรูปขันอาศัยการใช้เป็นใจอยู่ก็แยกรูปแยกน้ำออกจากกันได้นี่เขาเรียกน้ํวารูปบริเชนได้ย แล้วก็แสวงหาปัจจัยพุทนานรก็ย่องเห็นปัจจ um ัยพุทนานุกบอกว่าอวิชชาเกิดอะไเกิดรูปปัถันก็เกิดปัญหาเกิดรูปปัถานก็เกิดอวิชชาเกิดเกิดกรรเกิดรูปปัถันก็เกิดใช่แล้วก็อันนี้จะเห็นได้ดีต้องแสวงหาไม่เห็นแด้ดีต้องแสวงยหไม่แวงต้องสวหา ทำไมทำไมต้องแสวงหาถ้าไม่เข้าใจวิชาศันหากรรมใดอีกแล้วเนี่ยจะปฏิเสธอะไรได้ไหมปฏิเสธตักใจปฏิเสธเขาปฏิเสธปักใจเหยียดรือปฏิเสธเหียดเหตนั้นอย่าวที่ผีนาจีนั่นอย่ลืนะนะคนที่เซนไอ้เยอะกกล่ที่ผีคนที่ปฏิเสธเหยียดียปฏิวัติได้ไมไม่ใช่เลยไม่ใช่ ทีน <the> <live> ี้เหตุเหลนเป็นอุปนิสัยปัจจัยแ่รูปกายอวิชชาตัญหากรรมในอดีตท่านอุปเป็นอุปนิสัยปัจจัยแต่รูปกายแต่รูปขันธ์เพราะมีตัญหาอวิชชากรรมในอดีตนั้นเองรูปการูปขันธ์จึงมได้ในปัจจุบันภพนี้ถ้าไม่มีอวิตัญหาหรือกรรมในอดีตแล้วเนี่รูปกายจะมีได้แค่ไหนจะมีในปัจจุบันภพได้อย่างรใช่ไหมครับทีนี้รูปกายท่านอาเหตุอดีอย่างเีวใช่หรือไม่ ไม่ใช่แลนะ้วรูปกายนั้นต้องอาศัยอาหารที่เราหยอดไปแต่ละวันแต่ละวันนี้ด้วยบางทีก็ไปหยอดกันมาเนี่ยนะฉะนั้นรูปกายมันเกิดไม่ได้มันดาเนินไปไม่ได้ที่เราอากจยาบแต่อย่าเนี้งวข้าใจว่ารูปกายแสบเหยียปัจจุบันอย่างเดียวนะถ้าเราวิชาปัญหากรรมนั้นต้องเชื่อมโยงตรงนี้ให้ใช้ถ้าไม่เชื่อมโยงตรงนี้ใ้ใช้ปัปฏิญาปริสหายานไม่เกิดปัฏิาายาปริทะหยานไม่เกิดก็ ไม่สามารถจะข้ามพ้นจากการขาววิจารณาวิจารณญาไม่ใช่จะสงสยยัยเอยแม้แต่เรอมายังไรเนี่ยเรื่อะ ก, กายเนี่ยยังไม่รูกก้ประผลเป็นต้นย่งมาย่างไงไมนน่แน่ิเราจะมีด้วยบ้างที่หมอเนี่ยเอาอะไรที่ตาข้อสงสยัยไปตั้งเราเป็นไทมีชื่ออะไรมีโคตรอย่างไรอย่านั้นก็ต้องจะสงสยัยแหละ แต่ถ้ายังนี้เกิดขึ้นแล้วจะปฏิยาไปด้วยหายังเกิดขึ้นแล้วมันจะข้ามก้าวล่วมความหลงใหลไได้เพราะมันเข้าใจอุบุณิยปัจจัยเป็นอย่างนี้แล้ว็เข้าใจปัจจัยในปัจจุบันด่าดรูปแบบอาหารเนี่ยที่เราดินกันเป็นคำงที่เป็นโอชาแคร์ซึนซาเข้าไปในสารกายที่หล่อเลี้ยงรูปแบบว่าอุปสามเป็นอุปสองวกกันปิจจะ่อเลีงรูปแบบรูปแบบนี้ดำเนินไปได้แล้วพเข้าใจอะไรนิพพติลักษณะ คือริ่มตั้งแต่ปฏิสุทธิขนาดใช่ไหมจะมีคนคนเนี้นั่งอยู่เนี่ยเริวมจะเป็นปฏิสุทธิขนาดครั้งแรกนั่นแหละด้วยการที่ว่าด้วยการเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็สื่อต่อมาเป็นตามลำดับเนี่ยก็จะเริ่เกิด ต, ตัวมาตามลำดับเนี่ยฉะนั้นการเกิดสื่อต่อมันถ้ามไม่มีครั้งที่ปฏิสุทธิจะมีวนนี้ไหมเนี่ยเร า, าเข้าใจปัจจัยสืต่ต่อปัจจัยต่อเนื่องมาตามลำดับมานั้นน่าขนนั่นแต่คนละคนไหยคนละคนรูร้จัน คนละคนเนี่ยเด็กเล็กที่เป็นสาระละายน้ำใสๆอยู่ในคำบรรดาแล้วมีคนคนนี้คนยังไงเดียเด่ยนคนละคนแต่ตอนงนไหมเหมือนเมล็ดม่วงที่ทิ้มลงไปในดินนะ่ต่อมาต้งมีม่วงออกพันลูกนะนคนลเนม็ดไเนี่ยปฏิสธเม็ดแรกได้ไหันใดก็อ ย, ไไอย่างนั้นก็ให้วนพยาาม มันมาแต่ตั้งรือต่อเนาะแต่อย่าไปเข้าใจว่าเป็นันเดียวกัน้วอย่าไปเข้าใจว่ามันต่างกันอย่าเข้ายังไงต่าง็ไม่ให้เข้าใจอันเดียวก็ไม่ให้เข้าใจถ้เป็นเนเดียวกกเป็นตัดสต้าที่ดีเมื่อเที่ยงไปเียก็ยัยยังถ้าเห็นว่าต่างเป็นอุเฉะ้ยที่ดีเท้ามามาลอยลอยกับขาดโถนี่มันเป็นปัจจัยอื่นเที่ยงกันมา ก็สิ่งนี้มีสิญญ่งนย้จริงมพรายาข้อมีิฏิบัติที่ขั้งแรกมันสืบต่อมาตามลาดับแต่เซลล์ขั้งแรกนันตายหมดแล้วที่จริงก็คือรูปนะรูปประคันทั้งหลายมันแต่ดับไป ห, หมดแล้วมันก็สืบต่อมาเป็นตามลาดับมีพยุติญาณ ม, มีตาปัญญาระดับผู้ได้แก่มันคือรูปประันแตกดับที่ยิบช่ายมี่เราก็ยิเนเข้าๆกันเนีย้ มีดวจิตจรนากาตาเป็นรูปแงหาัดใจลงนามโลปเห็นตัดจเหวียวิชาเป็นต้นข้ามพ้นฟองผูสายเคยได้นี่เป็นเตียงตัดใจและทำเตียงสายตัดใจเกิดขึ e, ้นตรงนั้นมีตัดบุคคลไหมไม่มีเลยใช่ไหมมีตนาวโลกส่วนามะทอนในรักเราไหร่เนี่ยนามาทําตเหวียววิชาตัญหาตัมไงดีแล้วก็มี้ผัดานะเจรนาตรงมีผัากแล้วอะไรอย่างนี้สัญญาสังขารนี วิญญาณก็มีนานมนานรูปเปงนปัจจัยในวันนี้แล้วก็มีปฏิรักษ์หนาเป็นการตกวดสืสต่อตามลดับนี้นนทีนี้คนที่คที่พิจารณาอย่างนี้ระยะกนพอเขาพิจารณาเิออนไปตามําดับแล้วในที่สุดี่นีนนนนนนเขาเห็นปัจจัยสื่อเนระยะยาวก่อนเนาะ เนอดีตอติยานญาินะพมีป e. ัจจ right ัยาติน right like ีพมีดียดพมีอันเดีดละเอียดพอมีิวัตบทนี่เข้าใจงี้นะเข้าใจแบบยะยาวๆแบบนี้่อหลังเข้าเ่เขาก็พอเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะอะไรเอวิชาตัณหากรรมญาติไมเที่ยง ร right. Tim, octopus, ูปกรรมรูปกาในปัจจุบันยัเที่ยอาวิชาปัญหากรรมเป็นทุกขเป็นนารูปกายรูปกายในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์เป็นอนัจานีเอวิชาตัญหากรรมในดิดไม่เที่ยงเวทนาัญญายามในปัจจุบันยังไม่เที่ยงนี่นะอันนี้เห็นสัจจัยนบิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นอนัจาก็ปฏิปฏิวัตผลหมายถึงผลในปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนานี่ทีนี้ในปริยนภพอาหารเที่ยงไห ลูประกาก็มเียงอาตาเียงมวรนาสัญญาหัานยมเทียงนามโรเียงไหมาาญญไม่เีย ง, น, ย ง, ยงนะปนยามปีนไเียงนั้นมีงเข้าใจเง้ยมอานีนะตอนที่ทันีักนาเป็นต้นต้ไม่เียง เขาวิชาอ่ารูปเวทนาทัญญางขันยานในปัจจุบันพบจินไล้เรียเห็นความแตกต่าอย่างนี้อาศัยจากการว่าเห็นที่เห็นแน่ดีเชื่อมโยงมาในปัจจุบันเมื่อการเห็นความแตกต่างนี้แย่ก้ามาคืนมากขึ้นนะเก็ปล่อยนะปล่อยคำที่เป็นอดีตเขาหมดความสงสัยแล้วพขาปล่อยความความในเป็นอดีก็เชื่อมโยงมาในปัจจุบันในปัจจุบันก็มาสองนั้นเห็นไหม เขาจะบอกว่าถ้าเราเรียีวิบากพญายางามันยิ่งให่นะมีอน uh uh uh ุมาณยานกับป uh ัจจยาณเพาะใหญ่ใหญอนุมาณายาณเชื่อมโรงยังไงอ่ะตาหุสมบูรณายใจของเราเที่ยงหรืไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไม่เที่ยงเป็นทกมีความแปรปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงไม่วรตามหรือว่าเราเป็นของเราทีนความเปนนาเขีนด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่า ถ้าจับเฉพาะหน้าของตเอย่างนี้นเห็นแตัอันนี้เป็นปจัานามานเ่อมโยงแล้วแขนห้าในสองที่เอ็ดภูมิมันเท่ง่ยงที่เป็นไปในาภูมิภูมิรภูมิม่นีนมเียงเป็นกนมกันเชื่อมโยงฐานอยู่นี่เป็นมาน ยังไงเวลานับปฏิบัติหูดเจริญกรรมฐานเนี่ยเขาไม่ใช่โยงรนิ่นตัวเดียวหรอกขันธ์ภายในขันธ์ภายนอกเลยแต่ว่าเชื่อมโยงขันธ์ภาทในนั่นเป็นอนุมานญาณให้เห็นปัจจันชัดตัวเียเป็นปัจัาแล้วก็มาเชื่อมโยงเห็นในความเป็นอะไรเนี่ยปัจจุบันกันติปัจบันขณาอธิบายอางไเป็นปนนุะ กรณีการสื่อสารนี่มองกันแบบหลายหลายลักษณะบางทีการสื่อสารก็ระหว่างเย็นกับร้อนก็ได้ใช่ไหมเช่นอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางทีมันตอนเช้ากับตอนกอางวันตอนรางวัลกับตอนเย็นต่างๆที่สื่อสารอันนี้ก็ได้วัตถุประสงคแต่ว่าเอาเอาสมัยมวกําหนดเอาอัตรามันมากําหนดหรือเอาขนาดมามากําหนดนั่นก็เป็นได้ควรคิดนั่นไปยาวถ้าอยู่คาราชอนก็ ยกนามลูกพร้อมทั้งปัจจัยขึ้นสู่ไตรลักษณ์เจริญวิปัสนาก็เป็นลูกเป็นพาาระานตามลำดับนี้ทั้งกล่าวเลยยุ่งยอดเลยนะอันนี้ทำอยู่ทิ้งไว้เยอะเลยเนี่ยในอัคคะที่จะต้องไปงารางวัลกระจอยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ไปทา ง, งาการเป็นไปนะเวลาก็เอาวิปัสนาญาณมาไล่กันตามลำดับแต่ตอนนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้ว่าย่อไว้ตรงนี้ก่อนจะขยายว่าอะไรทีหลังนี่เป็นช่องทางการออกจากทุกข์เห็นไหมว่า นี่ก็เป็นช่องทางการออกเด็ดทุกนักวิจ า, ารณ์ดูความจำปติกูนี่แหละเป็นช่องทางการออกเด็ทุกของทุกผีของพิสูจน์ผู้มีใจตั้งมั่แล้วเรื่องงานแห่งปติกูนจะมีว่าอะไรเพราะว่ามองผมผมได้ตอนหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ยวในกระดูกเป็นต้นโดยความเป็นของปติกูนแล้วเป็นช่องทางการพคนทุกได้ท่านที่มองไปในทางสายนี่มากนเนาะใหญ่มากไห มีพุทาองเนี่ยจะพาะกับนี้ไปองค์ที่ององทดีนะฉะนั้นถ้าอย่างบุคคลที่เดินตามช่องทางนี้นะัดไม่ถ้วนนัดไม่ได้เป็นหลายร้อยกว่าแต่ไม่มียอมหวังที่ยังไงดีแคนะ่ก็สร้างอัธยาศัยใหม่นะบอกว่าต่อไปต่อไปต้องทำให้ได้ พยโยคาวจรใดก็มีโกฎทาศาสปรากฏอย่างเดียวหรือพโยคาวจรใดได้สรุอปอภปนาในโกฎทาศาสะอย่างหนึ่งไม่ทําความเทียมในโกฎชัดกฎทาศาสตอื่นต่อไปก็มีอภ ป, ปนา น, นั้นก็ยอก่อมสกิดขึ้นแต่พยโยคาวจรนั้นแต่รงเยวเข้าใจนีงว่าคือบางท่านเนี่ย ได้ผมเป็นวดขาสแล้ก็พิจารณาผมเป็นปัจจัยแต่อนาหความเป็นของเป็นูนีเป็นต้นับก็ยัง่ามช่เกิดขึ้นแล้วท่นก็เอาแค่นั้นแล้วท่านก็ไม่ได้มีแค่งอื่นก็้ตอย่างี้นิสามสิบสองสามอาการทุกอาการเป็นปัจจัยต่เปของพระาัได้หมดเ แต่ไม่เคยเป็นประโยชน์แก่พวกเราได้สักสักอย่างเลยก็ไปเริ่มคิดไง้านำเสนอวาออย่างี่จะยสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้นี่ยเพื่อจะเป็นปัจจัยในการทำอุปนิสัยเกิดขึ้นแล้วก็ได้ตั้งเาเป็นบ้านในการเจริญวิปัสสนาเป็นช่องคลในการออกจากคุกนำเสนอว่าเราเราต้องเขสนใจเลยหลวงพ่อเจ้าบอกนี่นะ เนี่ยสามมีสองชิ้นเนี่ยเอาไปพิจารณาเนี่ผมชิ้นนึ่งขนชิ้นหนึ่งเนี่ยในสามสองชิ้นเนี่ยเอาไปให้ควรพิจารณาแล้วจะต้องเธอจะต้องมีอัธยาศัยก็ชิ้นแน่นอนแล้วจะได้เป็นปัจจัยในกางทําปฏิกูลมรนจการกรรมฐานที่โดดขึ้นแล้วเป็นอุปหานนิทเป็นปฏิภาคนิทเป็นอุปจารแล้วเอานาเป็นอภรณนาภาวนาเป็นปฐมวิชาร์โดดขึ้นแล้วเอาปฐมวิชาร์นั้นเป็นบานของการเจริญวิปัสสนาและจิทธทางการการอดใจพุ่งได้ เราไปเมื่อที่นี้ยเราจะมีบุญไหมน้องถ้าคิดแค่นี้ไปไม่ได้นะทรกเจ้ามั น, นเไปเหนือวลาใช่สมัยก่อนก็ยังไ่ได้คิดต่อื่นี้ีกใหมบริการตั้งอาชีพอใไก็ไม่ไไมมมมวิธีคิดก็คือว่าเราจัได้บรลุเพราะช่องทางนี้ไนปะคิดนีๆนะโอ้ยนี่ไม่อยอเราจับรรลุไมด้เพช่องทางนี้สนะ่วนประโยชเาจรได้มีกฎ้าต่อหลายอย่างปรากฏ หรือว่าจะระรูาในโกดขาจะอย่างนีง้แล้วยังทาความเพียนแมในโกดขาจากอื่นต่อไปอีากาดีก็ต้องให้ฌาหลายดวงตามจานวนโดขาจักย่อมเกิดขึ้นให้โยธาประจอนกันด้หยุดต่ผมให้าหลายดวงเกิดแก่ทักษะกาเดรัจฉานนั้นทีนี้ท่านจะเล่าไหมท่า น, น, นเล่าบอกว่าทำภูมิอายุแต่คืออย่างนี้สมก่อนจะเล่าอยนี้กัดูว่าวางท่านก็ได้ ได้แต่หลวงพ่อชานพราะกดธาส่าใดสุโกดาสานี่เท่านั้นเองใจบางท่านที่เมื่อได้แล้วท่านไม่อยู่ไงท่านก็เอาทุกกดธาสาาเลยเือที่ท่านเพียงพยายามเนี่ยนะถ้าอย่างเมื่อจับท่านเมอับท่านสายอ่อย่างนี้คือต้องบอกเลาแน่นสบายมันไม่ต้องเอาพุทธยาณหราพุทธเนี่ท่านเข้าอย่างง่ายๆเลยจะเอาผมมาใช้ควรพุทท่านจเข่าอับหลวงพ่ชานในต้นด้ ข้าเสีมาตังหนวดกท่านเข้าทุกยชันกับยีชันจอยจนให้้าบทำงานมากกรรมฐานก็กรรมฐานะเปิ่กเป็นกีฬาทั้งนันเลยเหมือนคนเล่นกีฬาเนี่ยเลหลายชนิดได้ยจะเล่นปองก็ได้ฟุตบอลก็ได้เล่นต่างๆตะร้อก็ไ้นจับอะไรเล่นได้หมดมีวิชาชักมีเนมัยข้าวุฒการบอกาท่านทำงานกรรมฐานมากหยกรรมาได้หมาเป็นปัจจัยการข้ชเลย สำไม่ได no ้สัมช so nice. ัสเลยลูนักคิดมกจับอะไรเข้มาเราไม่เอาเลเราคงบุญน้อยจังเราคงบุญน้อยไม่ไหวแล้วจะเกิดเราจะท้าตายเหรอคุยไปคุยมาตันนี้ไปกินข้าวตอนเย็นกันดีกว่ากินเลี้ยงงานสำคัญเลยขนาดคิดหนักยังไม่ได้เลย ท่านภู้มีอายุบอกว่าจับมือพ่อไทเทระผู้เป็นคือตรงนี้นะท่านจะเล่าเรื่องบอกว่าท่านภู้มีอายุจับมือพ่อไทเถราผู้เป็นคีข้าพนักการท้าใจว่าอะไรผู้กล่าวทีท่านนี้ใจคําว่าชีข้าพนักการาจารย์คืออาจารย์ที่ทรงคีท่านนี้ใจก็หมดเลยคีท่านนี้ใมีสามสิสี่ตัวเลยนะโอ้ทรงจาได้ทุกตัวเลยเนี่ย เราดีจำไมไก็สดแรกสดแรกบางทีก็นิการเรื่องอะไรไม่รู้ทไช้าแล้วสตดอย่างนี้นสดแรกเลยมีก็ทรงได้เลยเนี่ยไหนอยากจะทรงได้ก็นิการนะบางคนกสมัยก่อนบางคนก็ทรงทีนี้นิการบางคนก็ทรงมัชฌิานิการคือเขาทรงได้ก็เหมือนท่านอาจารย์แลดีเลยที่ที่พมา ยุคหมดวาไปไม่อง์ยานาเขาทาจำไม่หมนีองค์หนึงเชื่อะไรท่านสมังแล้วนี่มาตายในประเทศไทยเมื่อกีีแล้วนี่นี่จะตรงเท่ได้ี่บอกแอว่าท่านจำทกันทุกพวกสอนเลยนุชท่านท่านก็รอีกคังน่ท่านอาจารย์รดีตอนที่รอทางทำงานท่านอยู่พอดีท่านที่รู้จักกันก็ช่วยแพร่ให้คนรอ้ข่าอย่างเพราะแต่ดีก็ดีเล็นก้อน อาจารย์จะทำมาโชติกาเนี่ยมาเอาผลงานการตกแต่มาขยายมาเยอะเยอะตัวอย่างเช่นอนุใสเนี่ยอนุใสต่างๆวิจิตรมากพิเศษปีนมานักเนนสเยอยะเลยอธิบายชามายาเรยนท่านบอกว่าขนาดมีคนคอยเหลาทีศต่อให้นเรียมาเนี่ยจะมีคนต้องเท้าเท้าอย่างที่ใหม่คอยเหลาที่น้าที่เหาทิศต่ออีกทท่านเวลาท่านเขียนตำราท่านไม่ต้องมมีตำรามาโค้เลย ให้กระดาษกระปาวเขียนไปเนี่รทานจงไม่หมดใช่เขียนไอ้คนเาไม่ทันลร็กันขนาดนั้นคนเหล่ายี่บสองไม่ทันเลยเขียนหมดเขียนหมดต้เปลี่ยนใเขียนเขียนหมดเนี่ยเาไม่ทันขนาดนั้นเลยพราะผลงานมันเยอะมานี่คือกในธรรมดาาเราให้ให้ีให้แต่งเรื่อ ให้คนเลาต้ n สืยังไม่ได้เขียนตัวเลาแี่คนเลามีต่อจะรมีประกันเล่าไอ้เขียนเขียนเ็อจบส่แล้วก็สามารถเขียนต่อได้วันหน่งีนต่อไปต่อมืวันนี้อาจารย์เขียนไปถึงไหนแล้วมาดูซินูเหนื่อย ให้ลองเท่าที่งั้นดิใเวลาเรียนถึงไหนพูดถึงหน้าไหนพอวันอาทิตย์ต่อมาก็เพาจจำไดเลยใ่ไห้มันเป็นอ๋อวันถึงห้าสามสิบเจ็ดแล้วเลื่อนต่อส8มสิบแปดมีนกันเนี่ยท่านตอนนีบอกว่าอาวุโสอาภัยแต่นี้ไปขัานจงเรียนปัญหานี้ก่อนเถิดแล้วก็บอกว่าะเดี๋ยวราผู้เท่ารูปหนึ่งเป็นผู้ได้ประสม่านาทีสองวงในกฎาตาสองสอง ก็แปลว่าอะไรร้ไหมก็ผมก็สามารถท่านจะสมผชานได้เอาขนก็เป็นผสมานได้เอาเล็บใช่ไหมเฟันล็หนังเนี่ยทุกปดขาเอเอาเป็นปรจัยในการทำะสมผชานได้หมดเลยแต่ว่าสามารถทำะสมผชานได้สาิบสองที่พะเสจรับผู้เข้าแล้วนี่มัหมายถึงอะไรใช่ไห ถ้าท่านดาถ้าท่าเข้าเข้ากลางคืนชาหนึ่งกล า, างวันชานหนึ่งท่านก็จ ะ, จะเชื่อมชานนั้นได้ในเวลาตื่นเช้า ก, กว่าแต่ถ้าเข้าวันละชานท่านก็จะเชื่อมได้ในเวลาเือน ก, กว่าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวอย่างนะอา้าววันนี้เข้าชานเขาเอากวาาัวช้าสายใช่ไหมกวชาสายมาเข้าชานเข้าไปสัก8ชั่วโมงเนี ออกกินชาวันที่สองก็เอาขนมาเข้าใจปู่นะยเอาขนมาเป็นประจำการเข้าใจคิดเนเดือนนี่ก็ใ้เป็หมุนรอกอะใช่เพราะปวดชาติสามที่สองกวดชาติสามชาตท่านจะได้ทั้งสามที่สองาติไมว่าเข้ารปผมไม่ชาติเดียวถ้าั่ใช้เวลาเป็นเดือนอะกว่าเดือนเข้ารอบนี่หมายถึงถ้าท่านี่เข้าแท่วันละชาตาตละชาตละชาตเนี่ยนะปู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้น พ, พัวกะเจ้าเข้าฌานเนี่ยนี่นเข้าเร็วมากแล้วก็ใช้ใช้หน้าฌงงานอีกเยอะมากนี่เป็นกระถามุกในการเล้รตาสตอันเดียวดูเรที่เรียกว่าการเลงพระาตนะรมานนี้เ็เจเา น, เน ร, รมาคือได้เียวมาเป็นสุภก ร, รมานที่กล่าวมาแล้วแต่เพราะสมเ็จโดยเียแรงของะดในกก ทั้งหลายมีลักษณะต่างๆมีสิ่งนี้สังขารมต้นถิงนี้เรียกว่ากายยกษตา ส, สติทีนี้แต่พอพูดถึงในเรื่องของกายยักตา ส, สตินี่นะถ้าสรุปก็ต้องสรุปในรักษณะอย่างนี้ว่าในการกำหนดในเรื่องของกายยกษตา ส, สติพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกว่าพิสูจทั้งหลายกายยกษตา ส, สติทั้งหลายอันพิสูจนเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วตัีผมีอนี้สมาก พิสูจนทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมที่ไหนนี่เจรานาณาปัญหาสติแม้อย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญกายยคตาสติใช่ไหมที่จริงคำว่ากายยะคตาสติเนี่ยเป็นชื่อของกายานุปัสฐานสีประฐานทั้งหมดเลยเฉพาะในส่วนของรูปปั้นนะเช่นพิสูจน์เจริญปานาปันหาสติเรียกว่าเจริญอะไรกายยคตาสติพิสูจน์เจริญอินญาบุตดเชื่อว่า กายยัคตาสติพิสูจเจริญสัมปชัญญะบัตชื่อว่ากายยัคตาสติพิสูจเจริญจติกูลมรรคกิจการบัตก็กชื่อว่าเจริญกายยัคตาสติหรือเจริญกายยัคตาสติในความเป็นธาตุธาตุมรรคกิจการบัตก็กกเรียกว่าเจริญกายยัคตาสติเจริญนัว่าสีว่าสีดาวป่าธาตุเก้าแม้อย่างนี้ก็เรียกว่ากายยัคตาสติคนะ่ะไม่ว่าจะเป็นจารณ า, าปานสติียบุตร สัมปชัญญะในฐานะเจ็ดปัตติกูลมนสิการแบบแล้วก็ทาวตุลมนาติการแบบเหน่าวสีวสิกาบอกกาวที่ปาช้ารังเจ้าก็เรียกว่ากาวยศตาสติทั้สงสิ้นแลก็บอกว่าอันนี้ทรงการเจริญการยยศตาสติพิสุขคููตามประกอบซึ่งกายยศตาสติกรรมฐานนี้หนึ่งย่อมเป็นผู้คงได้ทั้งความไม่ยนดี และความยินดีแต่ความให้ยินดีและความยินดีข่มเธอไม่ได้มีข้อแรกนั้นความยินดีเรียกโลภะถ้าเจริญใจและกรา ย, ยตารสติมัมนก็ขมได้ความให้ยินดีคือโทสะสรุปก็คือว่าเมื่อเจริญใจและกรา ย, ยตารสติแล้วจะสามารถกําจัดอภิชาและโทมนานัดได้มีข้อแรก ข้อที่สองเป็นผู้ขมความตัวและอารมณ์ที่น่ากลัวแต่ความตัวและอารมณ์ที่น่ากลัวผมเธอไม่ได้เวลาที่อยู่ตามฝนะันหรือเป็นตามที่หวาดหต่างั็กุก็คือว่าถ้าใครเป็นคนที่กลัวนัหายเนี่ยอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจเจริญใจยังคาสติจอย่างเบ่งบานด้วยก็ต่อไปต้องอยู่คนเดียวแนนะ่ชีวิตเนะีไม่มีใครจะอยู่กัเราหรอกมีไรสมมุตินียนะ เขาเอาเราเข้าห okay. ้องอยูกอ่คนเดียคนเดียวเลยใไหมไม่่อบางบงบงบงบงทีบงทีไปคนเราอยู่คนเาไม่อยู่คนเดียวหมายความว่าันยาก่อยู่ด้วย เราเป็นมิอย่างนั้นที่จริรอยู่คนเดียวไม่ทีเีงคนเดียวหรือเปาในท้องมียาธในคเดียวเรายะแย่ปวดมี็นร้านขังย้อนี้โดยเดียวเป็นทั้งโรงพยาบาลนเป็นทั้งห้องอาหารเป็นที่สพันเป็นทั้งทงที่เขากำลังโยกพักดีก็มีแต่คนแพร่โรคทั้งหลายในคันของเรา เ ป, เ, เป็นทั้งที่เกิดเป็นทั้งที่ฐานุรศาสตร์ปัสสาวะเป็นที่เกิดเป็นที่ตายะสารพัดนี่ฉะนั้นวางไม่ได้อยู่คนเดียวนะเลยเนาะหนาวไหมต่อไปให้เาวบ้านบอกว่าคืนนี้หนะาวเินถามว่าหนึ่งหนึ่งชิลลเข้ากับหนึ่งพันห้าไหม หนึ่งชีวิตก็หนงฐนห้ามีทั้งรูปปัจฉันมีเวรงานตยาต่างๆเยไม่ต่างอะไรจากเราเลยถ้าต่อไปดูรูปปัจบรูปปัจจัยของเขลเนีต่างไปเพแรงกรรมเาแรงปัญหาของเขาเองนะพวกความยินดีพความเพลิดเพลิเยอะหรไงก็การกันงนั้นเลแต่จริงๆยังไม่ไม่ม่ต่างกันในความยินข้อความความกลัวและวารมน่ากลัวที่เกิดขึ้นอยู่ เป็นผู้อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหายหอบอยุมลมแดดตรงนี้เนี่ยร้อนร้อนวันนั้นหนาวขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไง ท, ท, ที่เราเลือกไม่ได้เลยสมมติเป็น อ, มอัมพาตจะบอกเขาได้ไหมหนาวหนาวฝนไม่ไดร้อร้อนบอกไม่ได้ถ้าจะรียการเรียกตาสติให้เต็มที่เลยร้อนหิวหิวเราก็บอกเขไม่ได้ปดัญหาเรื่องป่วยหนัก ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เรียกที่โอ้มันขยับไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรีกใครก็เรียกไม่ได้บางทีใหม่แล้วเอ๊ะมองอารมณ์ภายนอกมีใจเป็นไม่ได้เราเข้ามาในบราสนามนี่เราไม่ได้มาคยหากัะตุ้นเราที่นเ้นต้องเขิกให้ควรเรื่องนักิตการต้องคอยอดีนเท่าในเท่าก็ เรียนรู้ในการที่จะอยู่ในภาวะการนั้นเองในเวลานั้นเราจะเอากรรมฐานเราคำสอนอะไรมาให้กับมือมือมือใจใจอะไรจะเป็นใปชังหัวมอาจะมาเช็ดใครจะมาทาอะไรหรือไม่ใครจะมาให้ยาตอนไหนใครจะอะไรต่างๆมือของเขาเรื่อกของเราคือการรักษาใจนะมันดีทั้ี พยาบาลหมอเขามาถามท่านเอาอะไรยรกันมอง ไ, งไม่ใยใดเลยใช่ากระ ด, ดูกไที่มีนนหน้าที่ดูรูปกายคุณรูปกายเนี่ยให้ไป็นหน้านที่ของคนอื่นดแต่นานมาขันเนี่ยเราต้องจัดการเงันดูได้เพราะตอนนั้นเราหมดหมดสัญญนะ า, าที่จะดูแลูปการเราแล้วอยากจะทำยังไงก็ทไม่ได้อะไรมันไหลออกมาเรคุณคุณทนได้ นเรามันมันช่วยเอ ง, ยงไม่ได้แล้วตรงนั้นนะถ้าทำอยกาไนี้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรู้กตาหายหยดยุงลมแดบบพวกก็เป็นคนชีวิตที่อดกอั้นโดยพวกวเอเวตนา้าและขนาดจะฆ่าชีวิตได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องหนักมากนะ เขาบอกว่าการสู้กับเวียนนาเขาสู้แบบสามอย่างใช่ไมมีท่านูรูก่าเลยนครั้งอนสู้แบบไหนยสู้แบบอาจารย์บางสู้แบบถอยทากหรือสู้แบบกองโจนเอาไงดีเอาม้ยมอถอยตั้งด้าก็ถอยเลยเห็นไหมเว่าพวกเขานวีนาเนสุดมากๆถึงขนาดจะมาฆ่าทีนี้เนี่ยก้าอาจารย์บางสู้กับเวีนน เอาสติเอาสมาธญเอาสมาธิไปเพ่งไปดูกลางกลางกลาต้องดูวัดกำลังว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ถอยท้อนะอย่าไปจับจ่องั้นถอไม่ใช่คำว่าถอยเลยที่นี้หมายความว่าสู้ไปถอยไปอะดูถอยดูถอยไปตามดับไปเขาก็ถอยไปเรื่อยท ดังเข้าไปเนี่ยเราสู้ไม่ไหวไงเรารู้ว่ากลังไม่ไหวแล้วเรถถ้ามันหอยแบบนี้ก็มไม่ไหวแล้วมันหนักจัดกบสู้โดยคอาม้นนอนมาดูทีเดียวเลยแล้วก็มาดูทีดูที่อื่เขนะ้ามาดูทีคำชมนนะเอาไปบอกกับคนไทยเลยนะนี่นังลินพาท่านพูดมาฉันก็ยังทำไม่เก็งหรกบอก <c oughs> ปวดหนักไหมเนี่ยปวดทรมานหรือเ่าทรมา น, มานสู้ไหวไหสมาธิไหวรป่าตั้งใจม่นาทิการถึงคำสอนถึงสิ่งที่เคารพและถือให้ดีแล้วตั้งมัน่นติดจดจอเต็มที่เไวไถ้าไหว้ถ้าก่าววเราแน่จะสู้สสไหมรูปแตกนะถ้าตั้งใจให้ยึิดนาทาย่อะไรย่างเงี้ยหมาไมจะการดิสมาธ พอสมาพักปวดมากๆเลยนะพอสมาธิมันเข้าแทรกปุ๊บปุมันจะกายเป็นความสุขมันแีย่กิจมันเป็นสมาธิเองนะพอปุ๊บในความสุกจะเข้าแทรกมันดีแล้วสุขมันมันก็ใครจะทำได้ยังไงเนี่ยมันถ้ากล้ามีโอกาสได้เอาดีก้าวระจันท์บานได้ถ้ากล้าเอาดีถ้าไม่ไหวผมสะกนใจพ้าท้อนี่ หรือว่าน้่ในรู้จักที่เดียวล้อไม่เรื่องแล้วน่ยบ้องโจนี้อเนยต้องมีข้อมูลนะอนนี้น่ข้อมูลคไปเยี่ยมคนที่เขาเป็นเป็นเมย์เมย์ไ้ท เป็นไปไมมีสองแบมีสอง2ิตด้วยนี่ยสองชิตเออทำใจให้สบายอย่าคิดมากหนึ่งสองชตใเรื่องใครไปทำได้ไม่เคยป่วยจริงถ้าป่วยจริงจะรู้จนู่นในตัาวคนป่วยทำานนู่นในั่นนั่ง คือเรลาปวดนี่นะถามว่าไอ้ตัวทุกขเวทนาาที่เกิดขึ้นกัเราเนี่ยนะไอ้ความทุกขหรือโรคภัยไข้เจ็บอย่านคุณเป็นเหตุไม่ได้บอกเขาตรงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปแล้วใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งก็งคุณไปแล้วปัญหาคือว่าทํายังไงหนึ่งทุกขเวทนาก็อยู่สองเราก็อยู่ได้สอมแบบไม่ต้องไปมีธรรมะเลยว่าสอมแบบต้องเที่เรียนรู้ในกา ร, รนี่จะอยู่โดยนี่จะอยู่ยังไง อยู่กับเขาอย่างไรทีนี้ในการในการในการกำเบรทุกตเรียนธนาเนี่ยถ้าคนที่มีพื้นฐานคาสอนเลยจะมีพื้นฐานอะไรที่จวจ่อที่ปวดเอาเองที่จดจ่อที่ปวดถ้าใจทีอื่มันก็ดึงกลับมาไปจะดูเขาแองไม่หนีได้อย่างไงใช่ัหก็เราอยู่กับเขาอยู่ทุกมันก็จะเกิดอยู่ตลอดเวลาการดูนั่นดูเบาๆดูแถวๆอย่างนี้ เมือนกัการที่ว่าลบเนี่ยะเหมือนกับการการการที่ว่ามันระบบพอร์ทเนี่ยยังนยังรูก็ไม่ไหวมันวจับเนี่ยก็ดูสิ่งอื่นเนี่ยถามว่าดูพระคุณคิดเป็นไหมคิดถึงกุศเต็มคิดถึงบุญกุเป็นมแล้วเาตมาดูพอดูมันจะปวดมากเลยยิงใหญ่ึกยัดงมันฝึกเลยก็มีวิธีเนี้ยกองโจนยนะสุกนี้ ความดูป้อปวดก็เริ่มไปดูิงอนแต่อยากให้โดยมากเราจะไปให้เขาไปดูสิ่ง อ, อ, ปไปไปงอเป็นเพอเพ่อเพื่อไม่ไมไ่้ดไม่ได้ผลฉะนั้นในการทาให้เขาไปไม่ดีนะ้าเขาต้องพยายามให้เขาเร า, ลลายึกพื้นสิ่งที่เป็นคุญญ์แล้วก็ห ม, มเหมนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยนะนั่นแปลว่าแปลว่าสภาพคนที่ปวดบงมากเนี่ย มีแต่เียว่าายอีตายตาเนอกเีคือวันนั้นให้เบอร์รปโทรายบมต้องกิมีบนยก็กิ่งว่าเขาบอกกิเลยที่หมายความว่าก็มีโยบอยู่คนเขาไม่รู้กัลคแนี้ อาสัยสีต่างๆโกดภัตาทั้งหลายนะมีผมเป็นต้นจะเป็นผู้ได้รูปชานทัง้งสีอันนี้หมายมาาความวนะ่าถ้ากําหนดจะควฟังในสีจะทําให้ได้แต่สมฌานจนสิ่งจะสุทธิฌานแต่ก็คือกําหนดชานิีเป็นบาทก็แทงจับบาติญญาหุได้แต่ว่าคนที่มาสายกับสีเป็นต้นอย่างนี้นะเขาสามารถทำมรรคญานี้ที่มาจักหูกปิญญาเป็นต้นได้เพราะเหตุขั้นแลพิสูจผู้มีปัญญามาก คุณเป็นผู้ไม่ประมาทคุณประกอบในเรื่องในการยกระดสติอันญาียนสงค์เป็นอนเนกการกรรมชนี้อันนี้เป็ น, นการยกระดับสติโดยเฉพาะต่อไปก็ศึกษาเรื่องของจัดบูาประวัติฐานเหลือเวลาที่นนะ้อยี่เริ่มต้นตรงนี้ในการศึกษาจัดบูาประวัติฐานเนี่ยนะในการกาหนดท่าที ธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยธาตุพันธุสิการก็แปลว่ตการใส่ใจในความติดธาการพิจารณาจะแยกธาตในความติดธาตุใช่ไหมโดเราจะมองรูปปั้นเป็นต้นอะไรเนี้ยนะเงินเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมยังไงซึ่งเป็นการมองเป็นการพิจารณาค่อนข้างที่ถ้าใครพิจารณาได้หรือถ่าส่วนได okay, ้ในการเห <Yeah. S 1> ็นโดยความเป็นพันธุ์สิการไอมั้ย ตพื tuo, i, de de que, an, ่อนพทตัดบุคคลออกได้ก็เห็นด้วยความปิดท้ายก็สิ่งเดียวกันเป็นกรรมฐานข้อนึงในกายยาวิปัสนาสตรีปฐานในสี่กับพระซึ่งท่านจัดเป็นวิปัสนากรรมฐานในเรื่องต้นอยู่ในระดับที่เป็นยาตริยาืปริยาในการรอบรู้ในกองสงสารเป็นแบ่เปนสามระดับหนึ่งระดับแรกเป็นปัญญาตับเริยาระดับที่สองปฏิระนาปัญญาระดับที่สามเปาะานะปิญญาอันี้ก็ธรรมศีลว่า ยาสับวิปญญาการรอบรู้ในกองสังขารมีสามด้านจัดยาสับวิปีญญาการรอบรู้ในกำเนิดรอบรู้สภาวะละาักษณะพร้อมนั้นปัจจัยทุกนามดูนอกรู้รรยังไงสภาวะละาักษณะก็รอบรู้ปัจจัยและแกิกองของขันบอกเกิดของอัญชันนาสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกนะั้นทรงไว้ซึ่งทุกิแห่งชาติาตามความในจินแห่งปัจจั ความเป็นใหญ่ในใจสียสภาพความเป็นสัจจัยปฏิจกับรูปบาศซึ่งผู้จิตจะทําปริญญาปัญญาตัดปัญญาเพื่อออกจากก็จะทุกเรื่อนงะจะต้องศึกษาเรียนรู้มาอย่างนี้ทําเหล่านี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นความรู้เป็นจิตใจต่อยาตัดริญญาเป็นร่ปต้อนแก่วิปัสสนาภูมิของยาตัดปัญญาตั้งแต่นามรู ป, ปรปเถทะยานการกาหนดในความเป็นรูปเป็นนามจนถึงปัิญาปิฏฐัญญาเนั้น การพิจารณาด้วยความเป็นปัจจัยทองหลามละลูกตรงนี้เป็นยาตัดปิญญ า, าทั้งหมดไงแล้วการกำหดไงการกำหนดด้วยความเป็นย า, ยาตาดปิญญาเนี่ยท่านบอกว่ากำหนดรู้โดยการการรู้ด้วยความเป็น อย่างเช่ตเนตัการศึกษาเี่การศึกษาเรื่องของสัตของขันของอาญตนะของธาตุขอัจจาของอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยเป็นต้ต้นวิทยาสตรวิทยาทั้งหมดเลยสิ่งพวกนี้นะย้อนเวานะ่ยแค่เราขันห้าเราศึกษาเราวิจัยเนี่ยเมื่ออย่างที่กลุ่มที่เราเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่เรียนชั้นถ้าใครเรียนไอ้สถาบันไปกำหปปนดในความเรี้นรูประันธ์ในเรียธาตุคาา น, าาานี้อันนั้นอ่ เป็นรูปต้นเลยนะนเป็นการมาแยกแยกบทพิจารณาเออเวลาเรเรียนอภิธรอมเนี่ยให้สังเกตดูนะเรียนจนจะ จ, ะจบหมดแล้วเ่ะเราไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจะเรียนเพราะไม่บอกข้อปฏิบัติเอาไว้ใช่ไไอเราก็คาซื้อเชื่ออะไมาเนี่ยเรียนจบแล้วก็สอนให้ยนอะไรแนีย แ, แต่รู้บา้างมั้ย แลไม่รู้ว่าปฏิบัตินันไปอยู่ตรงไหนก็เห็นงกลุ่มย้อนกับหมายันกับกลุ่มเราเราลุ้นหลังหลังกันยินดีนะไอ้คนรุ่นก่อนมนก็โม้ไปก่อนอยู่ไมเดยลุ้นๆลุ้นๆไหนมาไหนมุ้งอยู่เรื่มาทีนก็ไปค่ายควรใหม่เลยเนี้ยแล้วถูกสอนมาจากนี้ถูกสอนให้ค่องคล่องไปน่นและแล้วก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหน เนี่ยนๆๆๆียนไปเขาตรวจไปเยนี้กอดกันไหันทะเลาะกันเนาะไอ้คนนั้นชองเห็นวอนนี้ชองเหนมันเลเียงเนหน้าดำงเลยนอ้ครูมาเสียงเราเราก็ถึงครูเสียงไเสีมัู้ใคครูก็เัเรียนจะไม่กรอบจมัต่าจะเต้าจะเนาววันสวันเนี่ยนักเรียถอดอกไม้รูปเสียงที่หอเข้ามาคครูก็ไม่กินข้าอาจจะไม่ขาเนี่ปวดเรียน งอนงอนนักเรียนก็ไม่กินปั <c oughs> าแต่ไม่แย่ทำมเพราะสงสัยเดีไปนังเรียนเนี่ยทำไมเป็นอย่างี้เนี่ยเนี เ, าเราที่ทเป็นยังีนี้เลยเนี่ยรเกยังดีใครไว้เก็บไป e ีว่าเก็เบไ้ตอนเรียนเนี่ยไม่เคยต้อะไม่เคยเจอครูพี่ตุมังโอ้โหไเรียบร้อยกงเคยลอย้มเหรอ แตงลอยเลยมเขาเอาอปล่็นบ e ุญต้เอาไปทช่ไหมที่เขาเลอแอบค่ะนีทําไมทำไมเป็นยังนี้ไงแล้วแล้วอาจารนเวลาเราไปเรียนนี่ไนอาจาราก็ไปจ้างพ่อตู้ใส่ไงครับนี่ทาสอนเราพูดวเจ้ามาสอนให้รากสิ่งเหล่านี้ทำไมพวกคุณตีอยมีสิ่งเหล่านี้ก็ไปแอบใช่ไหมก็เข้าไปก็ไปหัานพูดแบคนที่เป็นยากเนี่ย ไปใหม่ก like ็ไปสนใจโดยทไมเขาเรียนกันอย่างนี้ก็ไปถามเขาทางเขาเป็นพระเจ้าสอนอย่างนี้จะทำไมที่เรีนอย่างนี้เขาไม่ได้ท่านก็มันต้องทาเป็นโกรธถ้าอย่างนั้นมันไม่ยอมท่องนะแต่บอกมันไม่ใช่เดยว่าจารย์จะแก้โกรธหน้าแดงจริงเนี่ยฉะ้นหน้าดำตาแดงจริงๆนี่ยมันจะแกใหม่ๆอาจจะแก้ไปแก้มาติดเนี่ย ท่น <S an> ไปแจ้งมามันติมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนะ่ยบอกว่าเวลาเปิดโมนั่นชึ้นมาเนี่ยเอาอะไรมาวางไว้อย่างนี้ ไ, ไม่ได้เลงอวางเยอะอะไรวางวาอยู่เือะย่างเง่ั้นว่าถ้าสอนเกิงฉลาดมากจะระยาหลังี่นขนาดว่าเอาฉันขนาดนนว่าเวลาจะสอนหนงสาอกาแฟอะไรต่างเนี่ยต้องเอาเอาเข้าไปห้องขันแยกไย่อ รอ้องเสีก่อ้องโกรธมมาขย่าห้องผนัดเลยโอ้โหน่าัวเห็นไหมว่าถ่าท่าอย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไมนีหละคือความผิดพลาดของงานศผิดพลาดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ักงโลกได้ทำทาก็แล้วแต่ยัยิ่มีความผิดพลาดนะถ้ายังแสดงเห็นชัดว่าเข้าใจว่าปรากัติและรบัติมันไม่ด้วยกันั้ เพอาจริงๆเวลาพระเจ้าสอนปริญญาพระเจ้าไม่เคยแสดงสัาเลยีเดียวและในขณะที่พระพุทธอง์ทรงประกาศปริญญาศัรออกมาตามลำดับนั้นเนี่ยและปฏิบัติศัตรมผู้ที่กำลังฟังนั้นกำลังนเลินอยู่ในที่สุดจริงๆพอจบปริญญาศัทรูพวกเนี่ยปฏิบัติศัตรูปริาญาศัตรูในขณะที่ฟังนั้นก็เพื่อคูต่อการปฏิบัติและปฏิบัติศัตรูนั้นก็เพื่อคูนต่อปฏิเวริยารรมจารแทนตลอดระยะัหลังจบพระธรรมวิเดียนาย มอเห็นนะคือคือท่านเลือกควรจะจะยกนี้เราไม่เรียนกันให้กุศลจิตนี่เราเรียน ย, ยากกลจิอเรียน ย, ยากกุศลจิตเลยการเป็นกายเป็นการคอบูลบาวแต่มีท่าทางของพรเจ้าพินาศงไม่ใช่สารกร ะ, ะกบริยักษ์เพรา ะ, ะยังนี่เาเรียนบริยักษิติดเลยในบริยักิ อ, อย่างพวกเราบางทำบางเนี่นยคือคนตายก็โตแต่นคนฟอนก็เครียดเนี่ยนะตาแล้วนี่เรียนอลไที่นี้มีเพื่อชานในเรื่องของยาตาสตร์ยาในเช่นจารรอบรู้กาหนดรู้สภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยด้วยนะคือพร้อทั้งปัจจัยนานปรูปเกิดเช่นว่ารูปกระขันรูปมีลักษณะเนี่ยเริ่มสนสลายไปเพราะ เพราะเย็นร้อนเนี่ยพรูพจนที่ปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นปฏิปักนีหนาวร้อนหรือว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักทั้งหลายทำให้รูปรขันต่ปัวนนีเ น, นี่ยคือรูปแล้วก็เวรนาลักษณะของเขาคือสวยอารมณ์เฉยยามมีจำอารมณ์อย่างนั้นสังขารก็คื อ, อ, อ, อแต่ละตัวของเขาก็จะมีลักษณะโดยเฉพาะผาษาะทบอารมณ์เวนาสาวยอารมณ์ยาจจำอารมณ์อารมณ์ในตัวอย่าง มาติการกระตุ้นเตือนและชักนอนความเมืยของเองนืก็รู้ลักเท่ไหนการศึกษาลักนังละและยังให้พอเนี้ยไปรักไปศึกษาในเรื่องของจิตของสภาวะธรรมนั้นนั่นเช่นว่าเวรนาเนก็มีจิตทั้งท้อในการสื่อวัของขาอารมณ์นี่เองเ น, นแล้วก็ขนปลากรเป็นยังไ ง, งเมตุการณ์ใกล้ร่วมพ้องเออรื่อะเช่นมีปัรสาเป็นเหตุใกล้มี นางมาทำทั้งหลายนี้ถ้าสาวเป็นเหนตุใกลา้างคราววิาก็มีนางรูปเป็นเหตุใกล้ถ้ารูปกรรมยานเป็นตนี้เนี้ยเป็นเหตุใกล้เนี้ยก็ต้องไปศึกษาลักษณะของก็นแล้วก็กท้องละเอียใกล้ีจทองทองีนทีนี้ท่อศึกษาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปศึกษาปัจจัยของเามั้ยว่าบอกว่าถ้าเรา อ, อาวมีชาตยาทังหารนี้ตามสูตรน้นยนมาในวเท่องกันเนี่ย แราก็ล้องกันอะเงี้ยว่าอวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารเพาะสังขานเป็นปัจจัยจะมีวิญญาเว่าวิญญาเป็นปัจจัยจะมีนามรูปก็นามรูปเป็นปัจจัยจะมีสตางคเจตนาของสาเวรนาวั น, า น, านทร า, าวินยิตจริงเกิดัไง <c oughs> ใ่ไห ม, มชีวิตจริงเกิดยังไง่เนียเอามาไขวยังไ <c oughs> งก็ว่าเป็นสูตรว่าได้ใช่ไหมก็ว่าไต้ทีนี้สมยัยก่อนอะไรไหมก็ทีนี้เราจะมาไขขั้ยังไง เราก็เข้าใจเรื่องนามเร่รูปเรืดังถ้าลองกาหนดอยนี้เลยดีวยกว่าจออภาถาทายาที่เปินก่อๆๆๆๆๆๆๆๆนบลความเข้าใจมีอื่นอย่างตัวอย่างเช่นอาศัยตาอาศัยสีอาศัยรูปนะั้นแล้วตรวจจับผูายาเนะี่ยเริ่มจะเข้าใจแล้วโอ้นี่ตาเห็นการที่เห็นได้ก็ามีแต่ผู้ภาษ า, านนะแล้วเห็นภาพต่งางเห็นสีต่งางนี่ได้เพราะมีรูปอารมณ์นั้นนะ ภาพะสีเป็นรเางและแค่จักคูและภาพเป็นสามเพียงพอเนี่ต้องมีจับคู่ยานเนต่ยเรการะช <Allah> ุมกันของมตประการนี้นะการปชุมกันของตาของรูปของจับู่ยานการชุมกันของตประการนี้ก็เรียกภาษาไภาษาที่เป็นนามธรรมนี่เกี่ยกับจับคูยานเนี่ย ขอดบเป็นปัจจ no, right ัยแย่ควยนานๆคุยล้าก็เป็นปัจจัยแก่ปัญหาปัญหาก็เป็นปัจจัยรูปะรรมเงินปุตตาลก็เป็นปัจจัยแย่พบพบก็เป็นปัจจัยแย่าุรามระาดโศกกับนี้เจโลกะดมินาการุปายัญต์าเกิดขึ้นของกทุกข์ทั้งมวลนี้ได้ด้วยประการนี้เพราะเรามาะฏิการใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะจนมาเริ่มหยุดจิุดกันนะเยอะหน่อมันเริเข้าใจปัดใจในปัจจุบันพบนี้ได้บ้างมันเริ่เข้าใจอยังไงรู้ไหมเข้าใจว่า นี่เนี่เพราะว่าปัญหาเนี่ยเวลามันจะเกิดมันอาัยตายหนไหัญหาตมันจะเกิดมันาเียัญหามันจะเกิดมันาศจกญชะัญหาตอนมันจะเกิดนอาศัยจะกรพ่นอมพัฒนยงน้ัหามันจะเกิดนอาัยตัวยาราย่างน้ัต้องเข้าใจนะ วัตถุสิ่ง ต, าตา่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยแต่ัญหาได้หมดเลยเล่ยเพราะเพราะอารมณ์ตาา่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยและกัญหาอาศัยตัญหากิดจะได้ใช่ไงมจ๊ะัญหาก่อนๆเป็นปัจจัยแต่ปัญหาลหลังๆมีไปต้นอย่างาอโอ้ที่เห็นไม้มเพราะการไม่รอบรู้การทางเ ท, ทวาตาตลอดสายเย่นเราติให้มนสิการในการที่จะป้องกันปัญหาเพราะไม่ป้ อ, ยอยงกันนี้การไม่ยิยาตาปริญญาสิ่งต้นนี้ ใช่ไหมแค่ในสวรรค์ตาแล้วเราไม่มียาตามียาไม่โทษสีนี่เรากำลันานในสวรรค์ตาไม่ได้เลยเพราะเราไม่เข้าใจตาไม่เข้าใจสีไม่เข้าใจจักุวิญญาณไม่เข้าใจจักุทศกัณไม่เข้าใจปุรนาไม่เข้าใจปัญหาไม่เข้าใจอุปัสสนไม่เข้าใจกรรมปัจะไม่เข้าใจชาติชาลวรณาโสกั ตถ้าถว่าปัญหามันเกิดใช่อุปาทานเกิก็มันทำกรรมแน่ใช่ใจกรรมปฏิกรรมมานกรรมเป็นบาปเต้นตามแ่และต่อไปในตัวเราว่าเหตุที่ปัจุบันกเกิดผลในอนาคตในตัวผู้ศีลอันีเหเป็นปัจจเหปจยอนาพนมีตาใปัจจุบันอนนมีศีลไ่ได้เห็นในปัจจุบันอนาพมีจักขุญาณนตัวปัจจุบันอนมีจักขุสัมพันวปัจจุบันอนาพนม มีเวธนานี้คือปัจจุบันเหตุปัหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุนะเห็นไหครับอุปทานเกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุกรรมที่ทงใหม่ที่เป็นปัจจุบันเหตุอนาคตจะไม่ต้องทำนายแล้วเพราะอะไรอย่งนี้ท้องสวรรค์ตาเนี่ยเพราะมันมันมีผลคือมีตามีรูมีสีนะมีจักรวิญาณมีพันธสัมพนะีเวทนานี่คือปัจจุบันนมมันมาจากจิตเหตุ ควมีเวทนากิดขึเวทนาเป็น yeah ปัจจัยเหตุป yeah ัญหาเป็นเหตุทีเป็นผลปัญหาเนี่ยปัญหาเป็นเหตุที่เป็นผลเป็นเหตุที่ตใหม่แล้วยินดีใหม่แล้วเนี่ยยินดีใหม่ละปัญหายินดีผลไม่ยินดีเหตุยินดีตาเน่ยินดีเหตุก็ยินดีผลยินดีผลใช่ไต้องตาเป็สวยใช่ไหม ตาคุณไม่สวยู้ตาเราเลยตาเราสวยกว่าอ่ะหล่อไม่สวยยังไงเนี่ยเสียงคุณพ้องนี่อันนี้ผลยังแล้วเนี่ยกลิ่นหอมรส อ, อร่อยสาําผัสนี่ใช่ไหมี่ยความยินดีตัวนี้มันส้างเหตไอตัวปัจจุบนันี้เหตุก็มีปฏิจบันน่ะผลนั่ไงผลใสางเลยมีสอย่างนี่แหละอาจตเหตเนปจจัยแต่ปัจจุบนน ข้ า, า, าช่วยให้เหปนก็ใช้แกคณะก็จะผลที่แ่ น, นันเองนยากเลยจะผลก็เข้าใจแล้วแค่นี้หทพูดเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุผลเนีย่ยเรียกวปยาปริายาเข้าใจเตข้าใจผลเห็นไหมจ้ะถ้ามองทะลุอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจขอนามตั้ยาเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราก็ท่องกันไปใช่ไห เอาไม่เชาปก็เท่ากันไปใช่กันเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงจริงๆมันเกิดในที่ไดจริงนะพระพุทธเจ้าไม่สอสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมั้เนี่ยเดียวก็มาพลิกังงานมาไขความในลักษณะนี้นี่เราไปเข้าใจยาติัญญาไหมกำหนดรู้สภาวะลักษณ ตองเขาต e. ามความคิดรู้จักหน้าตาของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สัญญาปีญญาเป็นอย่างนี้รู้จักจักผูประสาทเป็นอย่างนี้รู้ประลมเป็นอย่างนี้โตจัประสาทเป็นอย่างนี้จับทางลมเป็นอย่างนี้นะโตคานประสาทคันธางล์ชิวหาประสาทรากทางลมร่างกายประสาทรวมทางลมแล้วก็มันยันนานจะชนะแล้วก็ทำมาทำมาลงมีการเข้าใจในลักษณิยนี้ก็ได้เข้าใจลักสนิทของเขา ยึดเข้าใจรับขนาดอย่างเดียวไม่พออย่ายวขนาต้องเข้าใจปัดใจของน้ำถึงจะไป้เนี่ยรับขนาดนี้เขาจะยักกาบปีญัมใช่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ละความสงสัยได้ถ้าถ้าเราไม่เข้าใจปัจใจของน้ำรู้ไม่ดีอีกมันจะสงสัยเลยเนีหยิบมาแต่ละอย่างสงสัยยกแต่ลอย่างเช่นว่าไม่ไมต้องอะไรเยะว่า เอาสายตาอาสายรูปอปญญาศยจักรยานเนี่ยแล้วอก็โอ้เนี่ถามว่าเราไปเข้าใจบอกว่าไอ้จัก็ตานเนี่ยกับรูบารมงเนี่ยเช่นเห็นเนี่ยใช่ไหเราสำคันว่าเราเห็นเนี่ยทุกคนก็จะ่เราได้ยินเนี่ยเอาเราเห็นก่อนดิแล้วก็ไปดูว่าไหนตรงไหนที่มันเป็นเราเนี่ย จักรคกปศาสตร์นะคือความใสเป็นรูปประธรรมไม่ใช่เรานะ่ตัวนั้นเป็นรูปปธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยด้วยอนะ่ะตัวจัจกรคูปศาสตร์แท้ๆนะั้นมีกรรมเป็นปจัจจัยถ้าขาสัมภสระจักนั้นตัวจะ ก, ก ร, รกิจะดูหานิเป็นใจอันนี้นะมองสรุปก็คือว่าตัวจักรคูปศาสตรแห่งนี้อวิชชามีปัญหามีกรรมอวิชชาแะไร ความรู้ใช่ไหมหปัญหาคืออะไรทำไมถึงมีจักสพรร์วันนี้เพราะความยินดีพอใจในสิ่งนี้ไงความยินดีพอใจในรูปแะ่ดีที่เราตังตังไงศาสนาการมีตาไหเยอเช่นเราชอบใจสิ่งไหนเพราะเราเช่นความสวยว่านสว ย, สว ย, ยแต่ว่าปัญหาเนี่ยสร้างตาแล้ว ต่างขาการมีกาเกิดขึ้นแล้วตัวเชื่อมเกิดขึ้นแล้วเ้าบอกสวยจะทำกรามเี้ยไหมทีต่างขนาดจะได้เงินเนี้ยเพจะได้ยุบได้วันสวยมาทั่วมาครอบครองเงี้ ย, า ก, ยามมการรมีการมวนกรรมก็เกิดแล้วใช่มมีปัญหาดีแรนเกิดมีวิชาค ว, วามไม่รู้ปกติใช่ไหกรรมที่ทำทุกขนานั้นเป็นกรรมที่สร้างตา ทิ้งเราจะได้ตาอะไรก็ว่าไปดิยก็อยากทิ้งได้อยากได้บ้านสักหลังเงี่ยบ้านหลังนี้รวยมากเอาทองคิ้ตั้งหาอวิชากรรมกระทำทำทำทำไปถามว่าทุกจุดทุกอนูที่กว่าจะได้บ้านหลังนี้มาน่้ตั้หาเกิดอะไรเลยกรรมที่กระทำงไปกายกรรมยีกรโนกรรมเนี่ยในที่สุดจริงๆถาว่าถ้ากรรนั้นให้ผลไหยเจตนาทุกเจตนาโอกาสให้ผลหมดไหย ถ้าให้ผลปฏิบัติที่โลภะที่เกิดขึ้นจากการปราศนาบ้านเกิดขึ้นถ้ายินดีนพอใจทำอยา่างนั้นไม่ให้ผลในขณะปฏิบัติที่ไปี่บ้านเจ้าบ้านเอาไหยังได้ขี่บ้านเานเดี๋ยวลูกเขาจะได้เอานนอะไรมาบูชาเราเีเอารักมากมาบ้านอย่างนี้นะ กว่าเราจะทำมามันเหนื่อยมากใช่ไหมเนี่ยบ้านอย่างนี้กว่าเราจะได้มานอนเหนื่อยก็ม่กปัญหาเกวดเท่าไอะไรควรจะได้เก็บเงินเดือนมากี่เดือนผ่อนบ้านกวจะได้ใช่ไหมเนี่ยก็เหตุผลของปัญหาก็เป็นอย่างนี้นะปัญหาก็มีเหตุผลนะใช่ไหมคือเข้าใจอย่นั้นอ่ะ ท้าให้ทำให้มีบ้านที่อยู่เราพูดถึงนะแต่อะไรที่ดีเรากัมาแต่งเลยนะทำหูอะไรล้าสจงอะไรก็าบอกเขาก็ดีที่เราแยกไปปลูกเราทำป่าใส่แล้วทำไงตอนนี้ ตอนนี้กอดใจนะเป็นสมนัติว่าไหนี่ยดีใจคือคือเป็อย่างมีที่ที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าคือทั้งสอละว่าที่เป็นนี้วิธีคิดที่มันอยู่กับโลภะนี่ที่โลภะที่มันมีกําลังสนิหาที่มีกําลังมันมีเหตุผลอะไรที่บอกว่ า, ากวขึ้นบ้านเนี่ยมีเหตุผลที่ต้องฆ่ายก ม, มันกลับมีเหตุผลที่ต้องตอนะ ยุมาแย่ยหเสร็จก็เอายาดยม่มด้บ้านตอยามดหนูขึ้นบ้านงเอายาเบื È ่เมื่อี่เตถ้าไม่ทได้ไงเิเอโรเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวเราแยกเหตุผราว่าใครเหตุแต่สิ่งทุ่นชหม้าได้ถามบอกว่าต้องมนมีมีพีชายชายก็ทำสวนผักเขาฉีดยาฆ่าแมลงาวย แเดี pues <antique. S 1> cold, cold, cold, ๋ยวนี้ยาความแมลงต้องฉีดเช้าเปลี่ยน็นแล้วก็มาเล่าใหรก็อกว่คุณยอมที่ทำบามากบาปหน้าตัวเลยก็บอกว่าเมื่อวานโดวเดียร์เวลาต้องฉตอนตีหนึ่งตีอเาะกาวนียแมงมันจะไหลลงดินหมดเลยตอนคืนมันเขึ้นมาเป็นโอ้โหแบบนั ใช้ทำงานหรือใช้ขนันต่อให้เป็นขันอันใตัวแบร น, น, น, น, น, น, นเนี่ยันต้องฉีดเขาตาในกองแล้วมันตายหลาสิบล้านเลยเดี๋ยวาบอกมันจาเป็นนะนัเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีจริงเลยก็ทำเไยนี่ใช่นะไหมชีวิตของคุณเนี่ยาุณทกรรมคุณรับผีชอบอยแล้วหนึ่งชีวิตก็หนขันห้าคุณก็ว่า แล้วคุณตายคุณก็เกิดเ็นมแรงตัวนึ่งก็ได้ไม่ยากยังไม่ยากคือทำมันต้องรบิิ็อแต่พมนีหน้าที่มาล่วาตามาทำมากองไปก็พิจารณาใช้รงใ์ใช้าได้ใช้แก้ไขไัเอได้กับคนแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จริงวนี้ในันนี้เมือนกับที่ว่าท่านระารีบุตบอกกับสางผมมีเหตุผลท่านผมมีเนี้ย ผมมีลูกผมมีหลานผมมีญาติเป็นร้อยเลยบริวารของผมผมจำเป็นต้องโกงนี่ผมจาเป็นต้องทำผิดเพื่อเลี้ยงลุกบริวางต่อสารีบุตรก็บอกไม่้ า, าตกในลกก็เอาไปคุยกับยะาบาลใช่ก็ไปคุยกับยะาบาลบอกว่าที่ผมจะทาทุกอย่างมันมีเหตุผลใช่ไหม ก็เหมือนเราฆ่าคนตายเราไปบอกอกับผู้คุมเขาไปเราไปบอกกับศาลว่าผมมีความจำเป็นต้องฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้ทำไม่ฆ่าแล้วผมไม่มีเงินเนี่ยผมต้องฆ่าเพราะคนคนนี้อยู่แล้วผมจะทำ ม, มันโกหกวาาผมก็ไม่ห ว, วันมาทำมาที่นี่ได้ศาลก็เชื่อวนะ่ายช่ไหมเาก็ต้องตัดสินแ ล, แล้วก็ต้องลงโทษ น, นี่ตรงนันกันเราจนบอกกับนายนยศบายไงก็ไม่ไม่ผมก็ต้องทนอารมณ์ เงี้งยขายดีวะนั่นเนี้ยที่สังขารวัด น, นั่นน่ะมันเจ็บปวดอย่างนี้รู้กว่าจากที่จากที่เราเคยเกี่ยวข้องกันที่ไม่เคยเป็นยากติมาไม่นี้แต่เราคิดตนนั้งไงคนนี้เป็นแง่เราในปัจจุบันเนี่ยคนร้องคนเป็นน้องเป็นพ่อเป็นปู่เป็ น, ปนยาา่าในปัจจุบนนันเราห่วงแหน น, นใช่ไหมแค่พอแค่เลยมาใช้ชาติเดียวเรายืมก็หมดเลย เขามาเก็นชุมนักษตัวนึ่งเขาสูงมาเป็นหมามหาหลวงเนี่ยเขาวิ่งก็วิ่งมาเลยยิงเขาตาได้เพราะเราคิดว่าเาเป็นหมาเราไม่เคยคิดว่าเาเป็นพ่อ่ไหมทไมทไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเออที่บอกว่าให้ปฏิบัติกผู้หญิงงไง่าไม่ จำเป็นต้องเห็นอย่าพูดจำเป็นต้องพูดให้มานักสิการว่าถ้าค้าวแม่ให้มานัสิการว่าเหมือนแม่เนี่ยก็กูแม่ก็ในสังสารว่าถ้าอายุน้อยรุ่นรุ่นน้อง ก, ก็ให้มนัสิการเป็นน้องถ้าหาว่าอายุมากก็มือการเป็นขี่เป็นป้าเลยนะต้องมานักสิการอย่างนี้เสียปัญหาจะได้ได้เยิดในขณาที่ฝนเท่านั้น ใ, นรรใช่ไหมเพราะความจริงมันเป็อย่างนี้สังสารวัตรมันเป็นเรื่อง ถ้าเรารู้ความจริรงของสังสารวัฏเพี้ยนเราจะได้วางจิดถูกว่าเช่นเห็นที่จบสักตัวเนี่ยบางย่างหรถ้าเราจะเกลียดใครสักคนเนี่ยท่านพุทธิพุทธะอาตมาโกรธโยนเนี่ยอาตมาจะจอมมานาจิกามาท่านพุนี้เคยเป็นแม่เราตอนที่เป็นแม่เราเราอยู่ในท้องท่า น, นท่านพุทถนอมเราเลี้ยงดูเรามาแปดเดือนเก้าเดือแล้วไม่พอนะออกมาเด็กนเนต็มหน้ตะคอกประมงมเช็ดอะไรต่งางๆดูแล แล้วก็นะครับถ้าคิดอย่างนี้ความโกรนายยังเนี่ ย, ยถ้าคิดอย่างีมันคายถ้าคิดว่าเออคนออนี้คว า, ามน้น า, กาัาาาตลกตอนคนเรื่อเขานมาธิการกันแบบนี้แหละกริงเราศึกษาคำสอนมาเยอะแยะถ้านมาธิการ่างนี้แล้วมันแก้ไขได้เองได้ไหมแก้ไขได้แล้ว แ, แล้วมันมาจีิจริงแบบนี้แล้วเราคิดตามจตอนไปจริงเนี่ยมันแก้ปัญหาตัวเราได้แต่ถ้าเราคิดขัดแย้งเนี่ยนะ ขัดแย้งตอนเป็นกินด้วยแล้วก็เป็นใจกระ บ, บาดด้วยไนงะคนที่บาดมากที่สุดใจเป็นเราใช่แล้วก็ต้องดีง้ตอรกคํำสอนของพระเจ้าเรือเนี่ยมันอยู่ได้หรือเปล่าบนี้มันอยู่ได้มันอยู่ไ ด, ด้แล้วเราก็ เ, เริ่มเชินผูชมเรื่งขัดเจ้าตัวเองถ้ามันออกจากจัารวัลได้ก็รีบบ อ, อกถ้าออกไม่ได้ตั้งอัธยาศัยให้มั่นคงทำศรีทธา ว, ว, วิญญาติสมาธิปัญญาเฉลี่ยเท่านี้กูยาดากา ถ้าเราดู้เรืองาาในยสงสัยแทนว่ามัได้ออละอนสงสัยาเาจะการข่าวว่น้นนวิสุทธิเป็ น, น, นเป็นมัดเบื้องตน้นอันนี้ถือว่าเบื้องต้นเป็นทางเบื้องต้นอะราเรียกว่าเป็นปปาาคติทางมะว่าเป็นภพภพเป็นจะมีปาะไานั้ น, นแหะยากัดิยาส่วนที่มันเป็นมีฐาะแล้ว คนที่เขาะเรียสานเรืองต้นเขาจะเรียนเื่องเนี้ยเรื่อแต่นำรูปปิยาิรปนิสหาานนี้จริงๆแล้วตรงนี้จะเกิดยาต่อมนิยานจะเกิดแต่แปลวอะไรสี่แล้วแล้วก็สมาธิท่าไมต้องกล่าวเลยแต่วีแล้วว่าสมาธิ่เป็นบาทของตัณหามานาที่ดีทีนีท่านกำลังทำปัญญาแล้วนี้เป็นที่ดีที่สุดที่เป็นที่สุด่แล้วก็ขึ้นกาานจะไดที่ นะั่ว่าแว่าตอนนี้พระปฏิปา ท, ทานท่านเจ้าเนี่ยดีแล้วเป็นปฏิปทานมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทานที่ถึงข้อปฏิบัติสายกลางแล้วนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปฏาาท า, เ, เ, ป า, า, ปาเป็นปฏิปทานรุ่งต้นใช่เขาบอกว่าถ้าทำทางเทวกรรณาวิจุทธ น, นี่จเกิดขึ้นได้ที่นี่นะที่ะปยงยุงได้พรเดียวท่านกล่าวอย่างนั้นเอง เป็นจ่าอย่างนี้เป็นจว่าถ้าทำได้ให้ตกตาลงไปเพราะงี้พิธีการก็ถือว่าลองลดองอเององอูเดียวไม่ใช่ลองทาเลยชี้เลกลบยาวสมาธิ่หลือในสมาทานเลยสมาทานแล้วก็ตืทท่นก็ไขว้นในที่จะ้เจาทยาตัาิปีญญาให้มากที่จริงที่อาจารย์บรรยายมาเบื่องต้นก่อนในข้อมออาจารย์บรยาในยะนี้บรรยายในยะของยาตัดปีญญานี้ ก็คือลองใช้คุณบ่อยๆทำให้มากแล้วแลวจะจะจะเห็นความต่างาคือหนึ่งอย่าลืมพบความจริงของชีวิตเราเรได้สัมผัสกันต่อเนี่เราได้สัมผัสกสัตว์ธร ท, ที่พเจ้าจับมาจองมันทั่วเยแล้วคุณของพระเจ้าจากแน่นแน่นนกระแสีคือในชีวิตเนี่ยที่เหลือนะ่ยทุท่มเไปเลยอยไปเลยแลย้ววิญญาณเนี่ยอย่าตั้อย่าต้งศรัาเขาไว้ ทักดังตรัทธาเนที่เลยง้อก็หาพระพุทธเจ้แล้วก็เดเ <us> ินตามรอยท่านเลเพราะเราทำทีทำท่าวางใจอยู่เยอะตอนสงสัยอะสงสัยทมันสงสัยในชีวิตคือไม่ห่วงนี่นถึงมันไม่ทำทำให้อยู่อนชีวิตเนี่ยป่อต่อยศัทธพระพุทเจ้าบอกว่าไงใจมีพระเจ้าะทะลุประเทศะารสุบหรี่ญาณมั้ แล้วก็ทีแรกจะล้มล้อมไปสวดฝ่ายน้อยจบไม่ละดินทำเนี่ยต่อมาพรบมาราชนาสาเนาฏย์ทรงน้อยราชนาบอกว่าโยกปทชายเนีขอให้พระบรมมาตรสดาแสดงธรรมเพื่อยังทำพระโอสนั่นไงเชื่อยรล้วม่สารพัดให้พ้นจากชาติดุกปีก็ไดเพราะพระเจ้าสามารถแล้วก็บอกว่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนเลยนะบอกว่าขอให้สัดนั้น ข อ, อยสั่ลงท่จงปล่อยศรัทธาว่เฮ้ยคือหมือนน้ำนะน้ํนนาะอย่าไปจั้อย่าไปคิดว่าเื อ, อเราจะตกทารูปพระเจ้าเพียงแค่นี้แค่นี้เปิดประตูน้ำเลยเมื่อปล่อยศรัทธาเข้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะผ่านใครก็ได้ผ่านเพื่อนปู่ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านใครก็ได้จะเข้าหาพระเจ้าเขาพระเจ้าเปิดประตูอมาต่าอยาอยู่ ปล่ อ, อยไปดูพระจิตตานนี้แล้วจะว่าพวกเราไม่ยอมปล่อยอยิสรท้าทงเพอะศรัทธาสรัทธาเนี่ยไม่นเน้อไอวิญญาณเลยสติเออลยมาธิหรือปัญญาก็ไม่เชื่อฟูเลยเนี่ยฉั้นก็ถ้าปล่อยพวกศรัทธาเขาไปปัญญาไม่เชื่อฟูคุณจะทำใมีเชื่อฟูเหมือนสีมาธิปัญญาเนี่ยก็จะเชื่อฟูไงเนีไม่หมาเยหมืเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่เราจะเล่นกุหลาบดีไม่ได้พอดีดีชื่อกูที้นะ ถ้าปัญญาไม่เข้ามาช่วปูนบมันสีไม่ออกไม่้เจ็เจริญยังไงในชีวิตมัิ้ไม่เป็นหใช่ไมเช่นอนกลางันสีตอนเที่ยเ็จมันจบไปตอนกางจนตนเช้าแล้วในขณะที่มันงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการรักงดเว้นจากการรู้วิสิตในกางทั้งทั้งที่เราไม่เคยาไม่เคยรักไม่เคยรู้สในกลางีไม่เคยสแล้อยู่จะน้ชย เขาอยเงี้มันไม่แข็งแรงอะไรเช่มาเหมือนเราเลียงวัวที่ที่ตามธรรมชาติไม่เอาเลี้ยงแบบพิเศษทั้งๆที่วันวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปว่าใครบาบคนแต่เป็นนั่นเรียบก็้กมใจแต่คนที่ ทุใจลูกหลานคนนั้นมหาไอคนนั้นเรียนยังไม่จบไอคนคนนั้นไปติดยาไปทัทุกนั่งุ๊เี่ยเรียนไอนั้นเก็ว่างไอเรียนทำไมไม่เรียนโง่เง่าเกิไปเลยอย่ามาพูแต่ใ่ไหเต็มห้อก็ไม่เคยเเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยนั้นจะเที่ยวให้นายตัวล้วสิไม่สวยเลยแล้วก็คองพวกความคามเมื่อเข้ามันอนแต่ก็มองมองมองมองแ่นียังไ คอาสุก็ไม่เคยได้เลยแต่เวลาใครได้อธิบายสมาธิอธิบายได้เลยต้องมันอธิบายบางีเนี่ยบางทีมันจบก้อนกันจบก้อนได้ยิ่งแยกปุ่ม่ยองค์ทำอะไรแยกอะไรก็ได้แต่อย่าใครจะไปแยกกวนจะกวนตายเลยตลอดเน่อะไร่เงี้ยมีบ่งบอกอะไรมีบ่งบอกว่า เรเคาเลี้ยงวัวไป้าหนุ่มเค้กิน้ำนมแต่เราเงวม่ไกนนมัวทรอย่าง้เียงวัวไได้กนแะเนี่ยเป็นมแดงต่อหัวมุมคนเดียราไปยิ้มมั้งหัวไมาเลยนาหจะร่งนเือป็นมดแดงหเข้าใจนะเออให้ได้ั้ ให้เจริญกุศลคือเป้าหมาย จ, จริงๆก็คือตำยังไงเราจเจริญกุศลให้ถูกแล้วก็สามารถที่จะเจริญไดอย่างตอนน่อเนี้ตรงนี้นะเราจะหมายใหยะตาปริญญาเพาะมื่อยาตาปริญญานเริ่มจะ น, นามรูปปริเจทญาณนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะมาชี้สข้อ ในความเป็นอ <unlucky. S 2> ิราตเปิญยาเพื่อให้แย่นามรูปปีเดชะยานได้สมัยความว่ารูงจักลักษณะและสัมผัสเหตุผลจะทาทายต้องนามรูปของรูปเดชะนายานเนสาญยานเป็นอย่างนีแล้วก็เข้าใจกระจายตองนามรูปนี้นริรยาตแต่ชีวะน่ะสถานะเดียวเอาไว้บนต่อไปเดี๋ยวอีกส่วนมันหน่อยนีใครต้องใส่ไหมมันต้องไส่ส่วนมน พิชิตศรัาวาอารหันสัมมาสัมพุทธะเจรณาสัมปันโนสุขสวรรค์ทวีดู อนุตตรอะริตาญาณะตาญาติตาเอวามนุสสาวกันชุโธกวา สิกขโนภะวะโทสะวะะาิโนภะวะโทสวะะตัสานกโนภะคะวะโสวะะติง สามปันหกปันยา ศักทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีมตำไม้จงมีส่วนห่งบุญที่เขาจะเจ้่ได้ทำแบบนี้ แ, บบนและห่งบุญอืที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วมีนม่นงศักเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ มีมังดามยาของข้าพเจ้าเห็นต้นพอดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือนี่ได้เห็นก็ดีพวเราเ อ, อง่เป็นกลางกลางยึดเป็น ค, คนู่เองกันก็ดีดทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีฐานห้าฐานมีฐานฐานเดียวมีัานสี่้านกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยใหญ่ก็ดีปลกเหล่าใรู้สนบุนที่พระพเจ้าแด่ให้แล้วขอสักเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอ ส่วนตักเหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวด า, าทั้งหลายโรปรดบอกตักเหล่านั้นรู้ด้วยขอผู้ที่ได้อานิมโมทธนาส่วนบุญที่พระกระเจ้าแผ่ให้แล้วขอสับทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ดีเวีน สงบเป็นสุดทุกเมื่อจนถึงพันิานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นลงสาเร็จเลยอรหังจัมมาจันวดโรคาาวะขุทัมคาถาวันชาติที่นา สทกสัี่ะทนัญทุกผทีสคะนั